มาต่อไปนี้เตรียตัวตั้งใจภาวนาที่เราได้ปฏิบัติมาทุกวันทุกวันไม่ว่างานใดทุกประเภทที่เราเริ่มทำเ ร, มเริ่มแรกปฏิบัติงานเหล่านั้นย่อมอาศัยความพยายาว ไม่มีงานไหนที่จะสำเร็จได้โดยง่ายเพราะงานเหล่านั้นล้วนแต่ยกบรรดาบยกฐานะให้สูงขึ้นแต่ส่วนงานที่ตกต่ำมันง่ายเราปล่อยมันก็ไหลลงไป ส, สะดวกสบาย การจะยกระบรรดาภั้สูงขึ้นให้จิตมีความรู้เสื่มขึ้นให้การปฏิบัติดีสูงขึ้นตามรำดับล้วนแต่ต้องอาศัยปรมีปรมีธรรมถ้าไม่มีปรมีธรรมแล้วไม่สำเร็จจะต้องมีคันติปรมีเข้าช่วยเหลือจะต้องมีวิริยะประมีเข้าไปช่วยเหลือ ต้องมีทานนรมีสินนัปปัมมสินตอนนี้ทหารของเราทั้งหลายสามารถรวบรวมสิ่งเหล่านี้มาเป็นกำลังใจและงานของเราที่มีอุปสรรคต่างาค่อจะสามารถจะแก้อุปสรรคนั้นได้ก้าวหน้าไปตามนันดับถ้าปรมีเหล่านี้ ไม่ปรากฏในจิตในใจยากที่งานเหล่านั้นจะก้าวหน้าที่จะเดินไปโดยสะดวกมางทีไปไปไปหยุดชะงักมังทีหยุดจุดก็อยหลังก็ม่ิดวกไปเวียนมาในี่ยเพราะประมีเหล่านี้ในจิตใจไม่ค่อยสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อต้องการบรรลุถึงซึ่งความสําเร็จ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์เต็มรอบไม่ใช่ว่ารอบอย่างเดียวอย่างละสามรอบเช่นทานปารมีไม่ใช่ทานธรรมดาท่านเท้าปฏิบัติขยับเข้าไปอีกเรียกอธานอุปปารมีรห้มันขยับใกล้สูงกใกล้ จะถึงปรมัตต์ปรมิทานขั้นปรมัตต์ปรเมเป็นทานขั้นสละชีวิตไม่เห็นแก่ชีวิตใครต้องการเมื่อไร่ก็ได้เสียสละถึงขนาดนั้นพระองค์อาศัยแต่ทานปรเมอย่างเดียวก็ยังไม่ได้เสมอเต้องมสินละปรมเสินละอุปปรเมเสินปรมัตตปรม ปัญญาก็เหมือนกันไม่ใช่ปัญญาธรรมดาเมื่อมีปรมีสิ่งเหล่านี้ไปช่วยเหนือแล้วการปฏิบัติของเราระย่อมมีช่องทางที่จะถึงจุดหมายปลายทางทำไมจะต้องอาศัยปรมี เหล่า น, นี้เขาไปช่วยเหลือได้ลมพังของจิตแล้วสมมติว่าถ้าไม่มีปัญญาปารมีใครจะหลอกไปที่ไหนอารมณ์ในโลกมีร้อยแปดพันประการสิ่งที่จะดึงไปมีมากหรือจะพูดง่ายง่ายว่ะสิ่งที่ให้ไปนอกลู่นอกทางที่จะมีช่องทางที่จะไปมากเหลือเกิน ที่ใจเราหมดกําลังการปฏิบัติการพ่อถ้อยการอะไรต่า ง, างๆเกี่ยวเก่ความคิดความเห็นอสิ่งที่ขัดควางเพราะเหตุนั้นเมื่อสิ่งที่จะไปให้ผิดหนทางไม่โอกาสมากเช่นนี้แล้วสิ่งที่ป้องกันอสิ่งที่ปกปิดเครื่องมือที่ในการทําก็ต้องเป็นเป็นเตาไหม แต่ก็ไม่เป็นสิ่งที่เรอวิสัยที่เราทั้งหลายจะจะกระทำไม่ได้ปรเมี่านั้นต่างว่าเรามีปัญญาสุตตะมยะปัญญาจินตะมยะปัญญาภาวนามยะปัญญาสุตตะถ้าเราได้สะดับตรับฟังมาอย่างถูกต้อง จินตมยะปัญญาเรามีมะนในการตรวจตราพิจารณาตามที่เราได้ศึกษามาได้ยินได้ฟังมาอย่างถูกต้องให้เกิดความเข้าใจทราบซึ่งในจิตในใจนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรามีกำลังในการปฏิบัติแต่ก็ยัง ไม่ได้ผลในการปฏิบัติแต่ก็เป็นสิ่งที่ส่งทางพอสมควรดีกว่าเราคลาโดยไม่มีอะไรเสียเลยถ้าหากว่าเราได้เข้าไปปฏิบัติ